สวัสดีครับพี่น้องครับนี่จะเสียงจากสีบางนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่หนึ่งร้อยแปดสิบห้านะครับอุปมาเกี่ยวกับพระคุณพระเจ้านั้นแสงชื้นใจนะครับคนงานในสวนองุ่นซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมมัตคิวบทที่ยี่สิบข้อหนึ่งข้อสิบหกครับมัตคิวบทที่ยี่สิบข้อหนึ่งถึงข้อสิบหกโปรดฟังพจนะของพระเจ้าด้วยแผ่นดินสวรรค์อุปมาเหมือนเจ้าของสวนคนหนึ่ง ออกไปจ้างคนทำงานในสวนองุ่นของตนแต่เวลาเช้าตู่ท่านตกลงกับลูกจ้างวันละเดนารัานแล้วจึงใช้ให้ไปทำงานในสวนองุ่นพอเวลาประมาณสามโมงเช้าเจ้าของสวนก็ออกไปอีกเห็นคนอื่นยืนอยู่เปล่าๆกลางตลาดจึงพูดกับเขาว่าทั้งหลายจงไปทำงานในสวนองุ่นด้วยเถิดเราจะให้ค่าจ้างแก่พวกท่านตามสมควรแลวเขาก็พากันไป พอเวลาเที่ยงวันและเวลาบ่ายสามโมงเจ้าของสวนก็ออกไปอีกทำเหมือนก่อนประมาณบ่ายห้าโมงก็ออกไปอีกครั้งหนึ่งพบอีกพวกหนึ่งยืนอยู่จึงพูดกับเขาว่าพวกท่านยืนอยู่ที่นี่เปล่าๆวันยังค่ำทําไมเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครจ้างพวกข้าพเจ้าเจ้าของสวนบอกว่าท่านหลายจงไปทํางานใสนสวนเหมืันด้วยเถิดคั้นถึงเวลาครบคำ่ำเจ้าของสวนจึงสั่งเจ้าพนักงานว่าจงเรียกคนทํางานมา และให้ค่าจ้างแก่เขาตั้งแต่คนมาทำงานสุดท้ายจนถึงคนที่มาแรกคนที่มาทำงานเวลาประมาณบ่ายห้าโมงนั้นได้ค่าจ้างคนละหนึ่งเดนาริ่อันส่วนคนที่มาแรกนึกว่าเขาจะคงจะได้มากกว่านั้นแต่ก็ได้คนละหนึ่งเดนาริ่อันเหมือนกันเมื่อเขารับเงินไปแล้วก็บ่นต่อว่าเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายได้ทำงานชั่วโมงเดียว แต่ท่านได้ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่า ก, กันกับพวกเราที่ทำงานากลางกลางแดดตลอดวันฝ่ายเจ้าของสวนก็ตอบแก่คนหนึ่งในพวกนั้นว่าสหายเอย๋ยเราไม่ได้โกงท่านเลยท่านได้ตกลงกันแล้ววันลนะวันละหนึ่งเดาืานละอันไม่ใช่หรือกับค่าจ้างของท่านไปเถิดเราพอใจจะให้คนที่มาทำงานหลังที่สุดนั้นเท่ากันกับท่านเราจะใช้เงินทองของเรา ตามใจของเราเองไม่ได้หรือทำไมท่านอิจฉาเมื่อเห็นเราใจดีอย่างนั้นแหละคนที่เป็นคนสุดท้ายจะกลับเป็นคนต้นและคนที่เป็นคนต้นจะกลับเป็นคนสุดท้ายพี่น้องครับเมื่อระดับเหตุการณ์ น, นะครับเราจะเห็นว่าคำอุปมาที่เกี่ยวข้องกับพระกุ่ของพระเจ้าอันแสนชื่นใจนั้นเราที่ผ่านมาอยู่ในพระธรรมลูกา แต่ว่าถ้าเราเรียนลาดับเหตุการณ์นะครับเราต้องกลับนะครับกระโดดกลับมาที่มัตติวบทที่ยี่สิบนี้เพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันครับมัตติวและลูการ์นั้นไม่ได้บันทึกทาอุปมาเรื่องเดียวกันนะครับมาระโกก็บันทึกน้อยกว่านั้นอีกยอนบันทึกไว้เพียงสองเรื่องเท่านั้นเราจะเห็นว่าทาอุปมาที่มัตติวบันทึกเป็นกับอุปมาเกี่ยวข้องกับพระเมสสิยาห์ครับเขาบรรยายถึงกษัตริย์และแผ่นดินของพระเจ้า ขณะที่เปียจูทรงเล่าคําอุปมานี้พระองค์ได้ทรงรับทราบข่าวว่าลาสลัสเพื่อนของพระองค์ในเบธานีนั้นได้ตายไปแล้วแต่ในขณะที่พระองค์ทรงเล่าเรื่องนี้พระองค์ก็เปรียบเทียบแผ่นดินสวรรค์กับเจ้าของสวนนะครับแผ่นดินสวรรค์เปรียบกับเจ้าของสวนครับเปียจูได้เปรียบเทียบแผ่นดินสวรรค์โดยใช้หลายถึงหลายอย่างครับที่เราเราได้เรียนรู้มาแล้วนั่นก็คือเป็นเหมือนกับอ่อค้าไถ่มุกนะครับคงจำได้ เหมือนกับเมล็ดพันธุ์ผักกาดนะครับเหมือนกับชัชชัเหมือนกับผู้หว่านพืชตอนนี้เระเยซูทงใช้คําว่าเจ้าของสวนนะครับเจ้าของสวนเปรียบเทียบแผ่นดินสวรรค์กับเจ้าของสวนในข้อหนึ่งครับลำดูกันนะครับเจ้าของสวนออกไปในตลาดเพื่อจ้างคนงานให้เก็บผลองุ่นในสวนในประเทศปาเลสไตน์นั้นองุ่นจะสุกประมาณปลายเดือนสิงหาคมครับและต้นเดือนกันยายน พนังนุนต้องเก็บก่อนที่ถึงฤดูฝนและก่อนที่จะถึงฤ ด, ดูหนาวด้วยจึงจําเป็นต้องใช้คน ง, งานมากมายนะครับมาทํางานพร้อมกันพูดง่ายเหมือนคนไทยว่าลงแขกทํางานแหละครับพวกผู้ชายจะมาที่ตลาดทั้งเดีเช้าเพื่อคอยงานบางคนคอยอยู่ตลอดทั้งวันหวังว่าจะได้ทํางานสักสองสามชั่วโมงก็ยังดีเผื่อที่จะได้มีไรายได้มาหามาจุนเชื่อครอบครัวนะครับงานประจําวันโดยมากมักจะเริ่มต้นตอนหกโมงเช้า เจ้าของสวนตกลงที่จะจ่ายค่าจ้างให้กับชายแต่ละคนที่ทํางานตั้งแต่หกโมงเ้านะครับตลอดทั้งวันเป็นจํานวนหนึ่งเดนาริอันนะครับโดยปกติแล้วเขาจะจ่ายแค่ค่าแรงวันละหนึ่งเดนารีอันนะครับทั่วไปในข้อที่สองนะครับเขจะกล่าวว่าสัญญาหรือข้อตกลงนี่ทาระหว่างเจ้าเจ้าของสวนกับคนงานครับนะฮหนึ่งเหเรียญเดนาริ อ, อันเป็นเงินโรมันนะครับเงินโรมัน ที่ที่ใช้เป็นมาตรฐานในการจ่ายค่าแรงให้กับคนงานหนึ่งคนนะครับสําหรับฐหารหนึ่งคนนะฮะสาหรับเป็นค่าจ้างทํางานวันละสิบสองชั่วโมงซึ่งเป็นการทํางานตามปกติไม่เหมือนกับพวกเรานะครับเราทํางานแต่ชั่วโมงนะครับเขาทํางานสิบสองชั่วโมงเหมือนกับกะของรปภหรือยามเลยนะครับทาสนะครับและคนรับพายโดยทั่วไปแล้วมีฐานะ ทางสังคมสูงกว่าคนงานครับเพราะว่าพวกเขานั้นมีเจ้าของพวกเขาเป็นคนของครอบครัวนะครับครอบครัวก็จะให้บ้านอาหารสำหับพวกเขาถ้าคนงานไม่สามารถหางหา ง, งานทําได้ครอบครัวก็จะไม่มีอาหารนะครับอันนี้เป็นคนละเรื่องราวกันนะครับก็คือคนงานก็คือยังแย่กว่าทาสหรือแย่กว่าคนรับใช้ในบ้านอีกนะครับอยในงั้ตามครับเพื่อที่จะเข้าใจอํานาจในการซื้อหรือเงินนะครับค่าของเงิน ให้เป็นงานดังนี้นะครับวัวตัวหนึ่งเนี่ยมีราคาหนึ่งร้อยเดนาริขันแกะตัวหนึ่งครับมีราคาสี่เดนาริขันแสดงว่าก็คือทํางานสี่วันครับก็ซื้อแกะได้ตัวหนึ่งนะครับในข้อที่สามครับเราดูต่อนะครับเจ้าของสวนต้องการคนงานเพิ่มขึ้นตอนสามโมงเช้านะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นนะไปเรื่อยๆนะเขาไปหาผู้ชายที่ยืนคอยงานอยู่ครับในตลาด พวกนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ตกทางอยู่นะครับหรือคนที่เหลือเลือกนะครับถ้าพวกเขายอมไปทํางานในสวนมูลเจ้าของสวนก็จะจ่ายค่าแรงตามสมควรพี่น้องครับไม่ได้ระบุจํานวนเงินไว้นะครับเจ้าของสวนจะจ้างคนงานเพิ่มขึ้นตอนเที่ยงและตอนบ่ายสามโมงและตอนห้าโมงเย็นหรือชั่วโมงหนึ่งครับก็จะหมดเวลาทํางานแล้วเจ้าของสวนก็ยังจ้างอีกพี่น้องครับตามกฎหมายของคนยิว น, นะครับคนงานจะได้ค่าจ้างรายวันตอนเย็นครับเมื่อเสร็จงาน เจ้าของเจ้าของสวนก็เลยบอกให้พนักงานเนี่ยนะครับซึ่งเป็นลูกน้องของเขาเนี่ยจ่ายค่าจ้างค่าแรงให้กับคนงานตั้งแต่คนที่มาทํางานสุดท้ายนะครับจนถึงคนแรกลองจินนาการนะครับว่าแถวของคนงานเนี่ยที่กําลังคอยรับค่าจ้างเนี่ยนะครับคนที่มาตอน5โมเย็นอ้าวได้รับ1เดรียในอันแต่คนที่มาตั้งแต่6โมงเชา้าก็อ้าวได้1เดรียในอันเหมือนกันก็เลยเกิดการบ่นต่อว่านะครับลี่น้องครับ ลักษณะแบบเนี้ยนะครับเป็นลักษณะที่เป็นเรื่องของความรู้สึกที่รู้สึกว่าเจ้าของสวนนั้นไม่ยุติธรรมนะครับทีนี้ครับในข้อสิบสามครับเรามาดูนะครับเจ้าของสวนเตือนคนงานว่าพวกเขาไม่ได้ทําอะไรผิดนะครับเจ้าของสวนได้จ่ายตามที่เขาได้ตกลงกันไว้เจ้าของสวนกล่าวว่าเราจะใช้เงินทองตามใจของเราไม่ได้หรือนะครับอันนี้เป็นขมวดปมครับ สิ่งที่สําคัญที่สุดในคําสอนกับอุมารเรื่องนี้คือพระคุณของพระเจ้าที่แสนชื่นใจผมก็กล่าวคั้นครับนี่คือพระคุณของพระเจ้านะครับค่าจ้าของความบาปคือความตายใช่ไหมครับของประทางจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูเจ้าองค์พระบุญเจ้าของเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะผู้ที่ทํางานนะครับเป็นผู้ที่ทำงานทั้งหมดที่เข้าสู่พันธสวรรค์เนี่ยจะได้รับของประทานอย่างเดียวกันคือชีวิตนิรันดร์พระเจ้า ไม่ได้ทรงรักเราตรงที่เราเป็นคริสเตียนนานแค่ไหนหรือตามชนิดของเราที่เราทําบนโลกนี้ในสวรรค์ น, นั้นมีบำเหน็จคับแต่มีเพียงเจ้านายแห่งสวรรค์เท่านั้นที่เป็นผู้พิจารณาบำเหน็จเหล่านี้ไม่ใช่เรานะครับเราจะไปบอกกับพระองค์ว่าพระองค์ไม่ยุติธรรมพระองค์ไม่แฟนะครับพี่น้องครับเปเยซูทรงใช้กับอุมาณี้มุ่งชี้ไปยังพวกฟาริสีครับพราพวกฟาริสีนั้นเขามาโนนะครับทบคิดเอาเองว่า พวกเขาเน้นจะได้รับบำเหน็จมากที่สุดเพราะว่าพวกเขาดูเหมือนว่าเชื่อฟังพระบัญญัติมากที่สุดเป็นผู้ที่ชอบธรรมมากกว่าคนอื่นๆพวกผู้นําทางศาสนาเชื่อว่าพวกเขามีคุณค่ามากกว่าเมื่อเทียบกับคนเก็บภาษีเขามีคุณค่ามากกว่าเมื่อเทียบกับหญิงที่ล่วงประเวณีและเชื่อพระเยซูพี่น้องครับหญิงร่วงประเวณีนะครับคนเก็บภาษีเชื่อพระเยซูไว้วังใจพระเยซูพี่น้องคับ ในสุดคนเหล่านี้ได้รับพระคุณอันแสงชื่นใจคือได้รับความรอดเท่าเๆกันเมื่อมีบุคคลคนหนึ่งเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ไม่สําคัญนะครับจะช้าจะเร็วไม่สําคัญในแผ่นดินสวรรค์ทุกคนจะมีคุณค่าเท่าเทียมกันในสายพระเุศของพระเจ้าเนะครับนี่คือนี่คือพระคุณของพระเจ้านันแสงชื่นใจขอพระเจ้าไว้ขอใี่ท้องเทียบทุกท่านในวันนี้ ที่ได้รับการทรงนําจากพระเจ้าในการทํางานอย่าลืมครับว่าเราต้องระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อที่เราจะตอบสนองต่อพระคุณนั้นอย่างถูกต้องอาเมน